โตจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกนฉันเรื่องเชื่อแบบใดไร้กิเลสโดยพ่อท่านโพีิรักเมื่อวันที่17ตุลาคม2536ที่พุทธสถานสติอสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้วันณ้อตมาอยากจะพูดถึงเรื่องศรัทธาศรัทธาหรือว่าความเชื่อ สภาวะทำเป็นอย่างไรคุณลองนึกๆดูพยายามนึกดูว่าไอ้ศรัทธาในตัวเรานี่เป็นศรัทธาศรัทธามันคือความเชื่อนะีมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงศรัทธาเชื่อความเชื่อมันมีอินทรีย์มีพละหรือมีกําลังมีกําลังมีอํานาจมีริดมีแรงมีคุณภาพอ่ะมีคุณภาพว่าอย่างเชื่อนี่มันเชื่อมากเชื่อน้อยอย่างนี้เป็นต้นน้าหนักของความเชื่อเชื่อสนิทใจ หรือว่าเชื่อขนาด ก, กลางๆสนิทบ้างไม่สนิทบ้างหรือว่าเชื่อยังไม่สนิทใจเลยหรือไม่เชื่อเลยมันก็มีเป็นตามความหมายที่อาตมากล่าวลุ่มหลวม ส, สังเขปสังเขปนี่ยนะคุณก็คงพอเข้าใจเพราะฉะนั้นน้าหนักมันจะเชื่อมากมากมา ก, มกแลก้วก็มากอย่างที่เรียกว่าเชื่ อ, อย่างมากจริงๆเลยที่เขาเรียกว่าเชื่องมงาย เชื่ออย่างมากอย่างงมงายก็คือมันเชื่อโดยที่เรียกว่าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้การวินิจฉัยไม่ใช้การตรวจสอบตรวจเทาะเทียบเปรียบเทียบหรือว่าตรวจทานไม่ใช่อะไรเลยคือว่าเชื่อแล้วก็ปักใจดิ่งเชื่อใดๆไปตั้งๆที่คนอื่นคนใดเขาเห็นเขาใช้ปฏิพาณธรรมดาธรรมดาใช้ไวรัริษามันอะไรพวกนี้เขาก็เห็นแล้วว่าไอ้นี่มันไม่น่าเชื่อเลยมันไม่มีเหตุผลมันเห็นชัดๆว่า เชื่อสิ่งที่ผิดคนอื่นเขาชี้ได้ระบุได้ไม่ต้องใช้ปัญญาหรือแหลมอะไรก็เห็นได้รู้ได้ส่วนใหญ่ส่วนมากหลายผู้หลายคนเขาก็เห็นว่ามันผิดแต่คนคนนี้ก็ยังหลงเชื่ออยู่ปักใจเชื่ออยู่ยนี่เป็นต้นก็เชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่องมงายเนี่ยเชื่ออย่างงมงายส่วนเชื่อต่อๆไปนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะมีปัญญา จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริงลึกแหลมจริงนั่นหนึ่งสองนอกจากปัญญาเข้าใจลึกซึ้งลึกแหลมแล้วความเชื่อนั้นมีสภาวะรองรับเพมันบางอย่างไม่ใช่ได้รู้ได้เข้าใจด้วยปัญญาที่ลึกแหลมเท่านั้นแล้วเราเชื่อเราเชื่อเพราะมีสภาวะนั้นเกิดมีสภาวะนั้นจริง มีสภาวะนั้นที่เราได้รับรู้รับเห็นรับสัมผัสโดยเฉพาะเกิดที่เราเป็นที่เราเองแล้วซึ่งเกิดที่เราเองเป็นที่เราเองเนี่ยมันมีทั้งสภาพที่เป็นสัจ ธ, ธรรมจริงกับสภาพของอุปทานสภาพของอุปทานนี่ก็ดูจริงเหมือนกันนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเราเห็นว่าแม่รถอร่อยนี่มันมีจริง เชื่อไหมว่ามีรถอร่อยม่ไมีจริงเชื่อไหมเชื่อไหมรถอร่อยไม่มีจริงเชื่อไหมหลายคนชักเจะตอบว่างดีก็ไหนว่ารถอร่อยมันไม่จริงอะชักเข้าใจแล้วนะชักพอเข้าใจแล้วว่ารถอร่อยมันไม่จริงแต่ทุกวันนี้ก็ยังอร่อยก็อร่อยจริงๆเหมือนกันนะมันรู้สึกอร่อยจริงๆอะมันยังไม่หายไปนะเรายังอร่อยอยู่จริงๆเลนะอ่า แต่ท่านก็ว่ารถอร่อยนี่มันไม่จริงศาสนาธรรมรู้จา้าบอกว่าเป็นอัศธาภะเป็นรถอร่อยนี่เป็นของหลอกคนได้โลกโลกมันไปติดหลงไหลอยู่ในรถอร่อยนี่แหละไม่จริงหรอกแล้วก็เรียนมาคนที่เรียนมาด้วยปริยตัติด้วยบรรยัญญัติด้วยเหตุผลเป็นตรัสศาสตร์มันจะไม่เชื่อจริงเท่าไหร่หรอกมันจะเชื่อว่ารถอร่อยมีจริงมากกว่าแต่ผู้ปฏิบัติทำแล้วเริ่มลดรสอร่อยนั้นได้ เริ่มรดไม่ใช่เริ่มรดนะ่ะเริ่มรดนะเบาบางนะเริ่มรดเริ่มเบาบางลงไปในรสอร่อยนั้นได้แล้วจะมากหรือน้อยก็ตามถ้าคุณเริ่มเห็นว่าเอ้มันไม่เที่ยงนะรสอร่อยเนี่มันไม่เที่ยงหรอกมันเริ่มลดได้รดได้จริงๆริดเบาบางลงมาได้แต่ก่อนนี้เราต้องติดขนาดนี้เจ้แต่ตอนนี้เอ้มันไม่เอาจริงเอาจังกับมันเท่าไหร่แล้วมันเออไม่เป็นไรท่า น, นี้ก็หยวนท่า น, นี้ก็พอไปท่า น, นี้เราก็ อ๋ะอะมันไม่จริงแล้วแต่ก่อนนี้เราต้องจี๋จ๋าต้องรสอร่อยต้องเผ็ดมันต้องแซ่บต้องถึง อ, อกถึงใจขนาดนี้แต่ตอนนี้มันไม่ถึงสักทีเท่าไรเท่าไหรมันก็ไม่ถึงเรากรสอย่างนี้มันไม่ถึงมันไม่เกิดหรอกรสที่เป็นคลาสแม็กซ์เป็นตัวสวยเสรสมศึกสมศึก ส, สมใจแบบไม่พอใจได้เกินอย่างนี้ขนาดนี้มันไม่ไม่เป็นแล้วนี่ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ได้เริ่มปฏิบัติมาแล้วก็มีสภาวะธรรมพวกนี้ รองรับบ้างแล้วแม้จะยังไม่ถึงที่สุดยังไม่มากเหตุปัจจัยพอจริงๆเขก็ยังมีรถอะไรที่อร่อยสนุกเพลิดเพลินเป็นตัวเสพสมสุขสมในโลกีรถอยู่นะคุณก็ยังมีอยู่แต่ไอสิ่งที่พอจะปฏิบัติแล้วก็มีผลรถรถละจางคลายได้บ้างแล้วคุณก็จะมีอันนั้นแหละเป็นสภาวะที่มันบอกเราว่าเอ๊ะมันไม่จริงนะมันไอทิวาไม่เที่ยงไอทิวาริ เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้แ ป, ปรปลวนได้ไม่เที่ยงจริงลดละได้จริงๆเนี่ยเราก็ได้ปฏิบัติมีสภาวะเห็นอันนี้จังหรือเห็นความลดเห็นความจางคลายเห็นความไม่เที่ยงนี้ได้จริงๆนะเรามีสภาวะแล้วแม้ยังอีกหลายอันที่คุณยังลดไม่ได้ก็ตามแต่อันนี้มันเริ่มเริ่มที่จะเห็นแล้วบ้างแล้วคุณก็จะลังเลแล้วตอนนี้เพราอบอกว่าจริงไม่จริงไอ้จริงมันก็ยังมีไอ้ไม่จริงมันก็มีมันก็เลยตอบปรตมาไม่ได้ แต่ถ้าเพราะว่าคุณเองคุณลดจำพวกนี้มาได้มากเท่าไรคุณจะตอบอัตมาได้มากขึ้นว่ารถอร่อยนี่มันไม่จรงิงคุณจะจะตอบอย่างนี้ได้เก่งขึ้นจริงขึ้นชัดขึ้นเรื่อยเมื่อคุณลดละจางคลายตัวรถอร่อยพวกนี้ได้มากขึ้นเท่าใดเท่าใดก็ตามเท่ากับคุณตีแตกอันนี้จังเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่แท้ไอพวกนี้ไม่จริงไม่จังไม่เที่ยงไม่แท้หรอกมันลอเรามานาน นึกออมามเป็นจริงแต่แท้จริงมันอุปทานมันเป็นความติดยึดของเราเท่านั้นพอเรามาปฏิบัติลดละได้จริงแล้วเราถึงจะเชื่อเชื่อเพราะเรามีสภาวะรองรับของจริงตามความเป็นจริงเห็นเกิดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอาตมาเองอาตมาไม่สงสัยหรอกที่อาตมาเคยเล่าสู่ฟังว่าอาตมากินข้าวไม่ได้ไม่อร่อยแล้วทุกวันนี้อะที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังที่ แต่ลานอโศกเทตามาเทศที่ลานอโศกล้วก็บอกอตามากินข้าวก็ไม่ได้กินรสอร่อยอะไรแล้วมีเจ้าหนุ่มอีกคนหนึ่งมันมาถามว่าที่มาถามอตามาบอกว่าหลวงพี่กินข้าวไม่อร่อยจริงๆเลยบอกใช่ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อจริงๆอตามาก็ไม่รู้จะตอบอยังไงก็ อ, อตามาเข้าใจเขาอะเขาก็ต้องไม่เชื่อบอกถามจริงๆเถอะพูดไปได้ยังไงว่า ก, กินข้าวไม่มีรสอร่อยอตมาบอกบ้าวอตมาไม่มีรสอร่อยจริงๆ อยังมาพูดไม่เชื่ออาตมาก็จบก็จบเพราะเขาไม่เชื่อจริงจรงอาตมาเข้าใจเข้าใจเลยว่าเขาไม่เชื่อจริงๆเขาจะต้องเชื่อว่าไอ้คนกินข้าวไม่มีรสอร่อยมันก็บ้าแต่มันก็โง่ที่กินไม่รสอร่อยก็กินลงไงขนาดว่าอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างกินข้าวไม่ค่คลงเลยมันต้องกินอร่อยๆสิมันจะตามที่ตัวเองยึดถือเลยมันถึงจะหมายกินได้กินเอาท้องเต็มแล้วก็ยากจะกินอีกเพราะมันอร่อยอะขนาดแน่นพุงแล้วยากจะกินอีกอะไรอย่างนี้ เขาก็เอา อ, อ, อาศัยพวกนี้กันมานาน น, านแล้วอาศัยอามิดอาศัยความหลอกที่ความชูใจแลกเปลี่ยนมันมีรถมีรถเสพสมนี่เพราะนั้นในเรื่องรถความสนุกสนานเพลิดเพลินรถในความพอใจยินดีอย่างโลกีพวกนี้นี่แหละเป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นสำคัญที่าศาสนาพุทธเราจับมันคั้นตายตัวนี้เอามาพิสูจน์กัน เพาจะสวยจะไพเราะทางหูหอมชื่นใจทางกลิ่นจะดมจะจูบจะอะไรก็ตามใจเถอะหรือรสทางลิ้นสัมผัสทางกายอย่างนี้พอใจแม่นุ่มเนียนดีหรือว่าจะอ่อนจะแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ตามแต่เถอะในเรื่องการสัมผัสทางกายแล้วเราก็สมมติไปและไม่เท่าเท่ากันด้วยแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกถ้าเท่ากันฆ่ากันตายเลยมาแย่งเท่าท่กันเนี่ย ค่ากันตายหมดเลยรูปอย่างนี้ต้องตรงกันตายผู้หญิงคนเดียวกันแย่งคนเดียวกันหมดอะสวยอย่างนี้ต้องสเปกเดียวกันนรถอย่างนี้ก็คนเดียวกันเสียงอย่างนี้ก็คนเดียวกันหมดตายไม่ได้หรอกไม่เท่ากันนับไม่ถ้วนนอกที่มันแตกแยกกันมันหลากหลายนี่หลากหลายนี่น่ามไม่ท้วนะใครไปยึดอันไหนก็นยึดอันนั้นเท่านั้นเท่านั้ น, นแล้วแต่จะมอมเมากันคนต่างประเทศฝรั่งมาเจอพริก อย่างทางอีสานอย่างทางอีสานนะโดยเฉพาะอีสานหรือใต้นะี่นะเขารับรองชักกินพริกกินเผ็ดเผ็ขนาดอีสานขนาดปากักไตชักแต่มาอยู่พอพวกฝรัง่งมาอยู่เมืองไทยเขามั่งเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมามีทูตมาอยู่เมืองไทยอยู่นานปีติดพริกเลยกินพริกเผ็ดนะเสร็จแล้วจะต้องถูกย้ายกลับเมียเราโหหัดปลูกพริกใน ตู้กระจกทําอุณหภูมิไม่มันแล้วให้พริกมันออกลูกเป็นพริกขี้หนูแล้วก็จะต้องไปปลูกพริกขี้หนูในตู้กระจกที่บ้านในที่ที่จะต้องไปเพราะว่ามันคนละภูมิประเทศแล้วเพราะว่าผัวติดเผ็ดซะแล้วฝรั่งติดเผ็ดซะแล้วต้องทําอาหารเผ็ดให้ผัวกินต้องมาเรียนรู้วิธีปลูกพริกขี้หนูในตู้กระจกนี่ก็เป็นเรื่องเหล่ามาจริงเท็ดแค่ไหนไม่รู้ได้จึงก็น่าเชื่อ น่าเชื่อดาเพราะว่าคนเรามันมีกิเลสอุปทานถึงขนาดนั้นนี่เรื่องของศรัทธาเรื่องของความเชื่อเพราะฉั้นถ้าว่าเราเชื่อที่อาตมาไล่าฟังนี้จะเห็นได้ว่ามันเชื่ออย่างที่เป็นกิเลสเชื่ออย่างเป็นอุปทานเมื่อมันเป็นอุปทานคุณก็ต้องมีตัณหาตัณหานั่นแหละคือขยายจากตัณหามาก็มันเป็นกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาก็คือได้แต่อยากแต่ที่จริงถ้าจะแปลให้ชัดๆตัณหาอยากมันก็มีอยากสองอย่าง อยากดึงไม่ให้ตัวกับอยากผลักออกไปมันก็คือโลภ ก, กับโกรธโกรธก็ผลักออกโลภ ก, ก็ดึงไม่ให้แกตัวเองหลงก็คือไม่รู้เรื่องหลงผิดหลงไหลหลงเครื่งไครหลงอะไรไปไม่เข้าทาเข้าทางนั่นแหละเรื่องของความหลงมันก็ปนอยู่ในนี้อุปทานก็คือยึดสมมุตินี้ไว้แล้วมันไม่บอกคุณหรอกมันพยายามจะไม่ให้คุณรู้ตัวด้วยว่าเป็นอุปทานมันพยายามจะให้เจ้าตัวรู้ว่า ขันติดอันนี้นั่นแหละเป็นอัตตานั่นแหละเป็นอุปทานนั่นแหละคือตัวยึดติดไว้แล้วแล้วมันเป็นอัตตาเป็นตนเป็นของตนตนจะต้องได้ต้องเป็นต้องมีอย่างนี้ไม่คลายไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตีแตกจะต้องอยู่เป็นตัวตนเป็นอัตตานี้ไปตลอดนิรันดร์เพราะถ้าไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะเป็นอัตตานี้เป็นไม่รู้อีกกี่ชาตินะคุณก็เป็นอย่างนั้นนะจะเรียกว่าเชื่อจะเรียกว่ายึดก็คือเป็นเชื่อนี่แหละแล้วมันก็ยึด พอเชื่อแล้วมันก็หยุดเพราะมันอยู่ที่งมงายหรือว่าอยู่ที่มีปัญญาทีนี้เชื่อมีปัญญาแล้วสุดท้ายจริงๆในาศาสนาพุทธเรานี่ไม่ติดไม่ยึดอะไรหมดมันจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อการมีพลังเพราะถ้าเชื่อนี่นะคนที่เชื่อจริงๆเนี่ยโอ้มันเชื่อแล้วมันจะมีพลังมันจะอศรัทธาเรื่มใสยกย่องเชิดชูขอตายด้วยขอมอบกายถวายชีวิต โอ้โหมันยกจองบูชาเชิดชูนี่เรียกว่ามันยอมเสียสละชีวิตตายแทนได้เลยใช่ไหมความเชื่อเนี่ยเพระาะศาสนาที่เป็นความเชื่อโดยใช้ความเชื่อนาศาสนาที่ใช้แต่หลักการศรัทธาเนี่ยเขาจึงมีเรี่ยวแรงมากมีมวลมากมีมวลแล้วนอกจากมวลมากแล้วมวลเหล่านั้นเนี่เป็นบริวารที่ดีมากเป็นบริวารที่เอาจิงเอาจังเป็นบริวารที่สยบ บริวารที่ตายแทนบริวารที่ช่วยเหลือเฟือฟายอย่างเต็มที่ส่วนศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เปิดเผยทุกอย่างไม่ใช่เอาแต่เชื่องมงง่ายเอาสัจจะมาตีแพรเสร็จ แ, แล้วมีที่จบตรงที่ว่าไม่เป็นอัตตาตัวตนแม้แต่คำสอนรูเจ้าว่าอย่าเชื่อแม้แต่ครูของเร า, เราคิดดูเถอะ โอ้โหอาถรรพ์เด็ดเดี่ยวมากเลยไม่งอ้อไม่งอนจริงๆเลยอย่าเชื่อแม้แต่ครูคนนี้เป็นครูของเธอในกาลามาสูตรเราก็คงจะเข้าใจข้อสุดท้ายข้อที่10อย่าเชื่อแม้แต่ผู้นี้เป็นครูของเราท่านไม่ให้ปักใจเชื่อไปถึงขนาด น, นั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะโง่ ง, งมงายอีกอย่างหนึ่งว่าโอ้เราก็ไม่เชื่อครูตำราก็ไม่เชื่ออะไรอะไรก็ไม่เชื่อตัวเราไม่เชื่ออะไรเลย คุณเองนั่นแหละเชื่อตัวเองคุณไม่เชื่ออะไรเลยคุณเชื่อตัวเองฟังดีๆชัดๆนะมันจะเชื่อตัวเองเป็นใหญ่มันไม่เชื่ออะไรเลยมันระแวงไปหมดมันไม่เคารพนับถือไปหมดมันก็เชื่อตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเองนี่ใหญ่ไหมใหญ่มหาศาลเลยอัตาบเบ่งเลยกูเพราะฉะนั้นในสังคมทุกวันนี้นคนที่เชื่อภูมิตัวเองที่เขาใช้คำน ว, นวนว่าเป็นผู้ที่ มีความเชื่อตัวเองสูงคนพวกนี้อัตตามตญาณใหญ่มากคนพวกนี้ไม่มีทางปรินิพานไม่มีทางถึงนิพานคนพวกนี้เพราะอัตตามันตีไม่แตกอยู่แล้วบางคนที่เชื่อตัวเองสูงนี่สอนก็ยากเปลี่ยนแปลงก็ยากพัฒนายากส่วนมากก็จะเก่งแบบโลกีพวกเชื่อตัวเองสูงนี่ส่วนมากก็จะเก่งแบบโลกี ก็เชื่อตัวเหัวไอเรื่องเนี่ยน่าแอรแน้นาก็เกงนะทางโล ก, กีก็อยู่ได้แต่มาทางโร ก, กุตระแล้วยากยากมากเพราะมาทางโร ก, กุตระนั้นคนที่เรียนโร ก, กุตระของพระเจ้าจะต้องเข้าใจอัตตามานะนี่เป็นหลักเพราะอัตตามานะนี่มีตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงหมดกามหมดปฏิฆะหมดสังโยชนเบื้องต่ําแล้วยังมีอัตตามานะเหลือเป็นอันสุดท้ายไล่เรียงไปอีก เพราะมันมีตั้งแต่หยาบใหญ่ไปจนกระทั่งหมดกิเลสเบื้องต้นแล้วเหลือกิเลสเบื้องปลายก็ยังมีอัตตามานะอยู่อีกนั่นแหละเพราะอัตตามานะมันจึงมากมากมายที่สุดเรอัตตา마ณานะเนี่ยพระรผู้ใดที่มีอัตตามานะมากแม้แต่เบื้องต้นเขาก็จะลำบากที่จะละลดกามละลดปฏิฆะละลดความโกรธความโลภความหลงอะไรในเบื้องตน้น เพราะมันเชื่อแต่หัวไอเรื่องแล้วมันจะไม่รู้จักรถอัศทะมันจะไม่รู้มาจักรถไอโลกิยะตั้งแต่เบื้องต้นอะไรมันมันติดมันอุปทานบอกแล้วอาตมาไล่ให้ฟังมาแต่ตนแล้วว่ามันยากนะที่จะรู้จักรถอร่อยแล้วก็จะเลิกละพวกเนี้จะมาฝึกปลือออกเนี่ยเพราะฉะพวกนี้เขาก็มีเงินทองเพราะคนพวกนี้ฉลาดคนที่มีความเชื่อตัวเองสูงนี่จะมักจะฉลาดฉลาดแล้วมันจะมีผล มีผลเขาจะทําอะไรเขก็สําเร็จชะลอทั้งหลายชนะจะทําอะไรก็กร่ร า, าะนะ ร, รวยจะทําอะไรก็มีเกียรติมียศจะทําอะไรก็มีอํานาจมีฤทธิ์มีแรงเขาก็หลงในสิ่งเหล่านี้หมดว่าสิ่งที่เขาได้นี่คือจะเป็นลาบยศสรรเสริญโลกีสุขพวกนี้เนี่ยมันยืนยันว่านี่คือคนต้องยอมยอมรับคนต้องยอมแพ้คนต้องยอมให้เขาเพราะฉะนั้นมันอันนี้มันถูกแล้วนี่ถูกแล้วเขาก็เชื่ออันนี้แหละ ทีนี้คนในโลกทุกวันนี้ยิ่งยุคสมัยนี้ในปุตตุชนมันเยอะกิเลสมันหนาคนสมัยนี้ยิ่งเชื่อหัวไอเรื่องยิ่งมีอัตามนานะมีความเชื่อตัวเองสูงแล้วก็พัฒนาความเฉลียวฉลาดทางโลกีเท่านั้นก็เลยยิ่งกลายเป็นคนที่ฉลาดทางโลกีนี้เชื่อตัวเองสูงแล้วเชื่อตัวเองสูงแล้วตัวเองก็ฉลาดอย่างโลกีด้วยตัวเองก็ได้ลาบยศสันเสริญโลกีสุขได้เปรียบได้เปรียบคนที่โง่กว่าแน่แน่คนเหล่านี้จึง เลี้ยงตนเองได้ลาบยศสรนเซิญโลกีสุขเพราะระบบมันก็ระบบทุนนิยมระบบได้ลาบยศโลกีสันเซินอยู่แล้วเขาก็พึ่งเนี้ไปตลอดตายตายอีกกี่ชาติเขาก็ยังงมงานเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละเพราะาก็ไม่ทุกข์อะไรนักหนานี่ลาบเขาก็มีกินมีใชย้ยศเขก็มีกินมีใช้เขาไม่น้อยหน้าน้อยตาอะไรเพราะาก็มองเรื่องเหล่านี้ตามโลกเป็นแบบโลกโลกโลกานุวัต <c oughs> globalization โอ้ยเดี๋ยวนี้กําลังเฟื่อง เขาก็อนุวัตตามโลกเนี่ยนี้คําว่าโลกาอนุวัตเนี่ย globalization โอ้โหกำลังฮิตไม่รู้เอาไปใช้อะไรเปลอะอัตมาฟังแล้วก็เวียนหัวด้วยอย่างสนทีเขียนอยู่ในผู้จัด ก, การเขียนไม่รู้กี่วันกี่วันนะเขียนอนโลกาอนุวัตได้ไร่มันทั่วโลกเลยโลกาอนุวัตทั้งนั้นอะไรก็อัดเข้าไปในโลกาอนุวัตหมดเลยอัตมาจนอ่านสองสามอั น, นอัตมาก็เมื่อยแล้วเลิก บทความก็เขียนอยู่นั่นแล้วคนอื่นก็เขียนกันหลายๆเขียนออกความเห็นกันแล้คนอื่นก็เอามาใช้กันเดี๋ยวนี้ใครอยากทันสมัยไม่ใช้คําว่าโลกาโนวัด ร, ระวังไม่ทันสมัยนะเดี๋ยวนี้ต้องใช้คําว่าโลกาโนวัดถึงจะทันสมัยเสร็จแล้วก็จะเชื่อเชื่อตามโลกพูดกันง่ายๆก็คือเชื่อตามโลกคนพวกนี้ไม่มีทางที่จะเป็นโลกุตระบุคคลในเรื่องของศรัทธาเรื่องความเชื่อทีนี้ความเชื่อของพระพุทธเจ้าที่สอนเราเนี่ย ไม่ใช่ว่าคนเราจะไม่มีความเชื่อจริงๆมันมีความเชื่ออยู่แล้วแต่แก้ตรงที่ความเชื่อที่มันจะเป็นความเชื่องมงายเพราะฉะนั้นจารีตประเพณีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีปัญญาพอที่จะวินิจฉัยแล้วว่อาอย่างนี้อย่าไปเอาเลยพอยกตัวอย่างเช่นอบายมุกนี่ว่าเป็นรสอร่อยมาพิสูจน์ดูสิเหล้ามันอร่อยจริงเหรอบุรีมันอร่อยจริงเหรอเมื่อได้เสพเมื่อได้สัมผัสเมื่อได้ เอามาบำเรอตอนแรกมันก็เป็นสุขจริงเหรอถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยจะตายไหมคุณเอาประเด็นเหล่านี้มาพิสูจน์ดูนี่มันง่ายๆเรารู้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่เรามันไม่ได้ดิบดีบดดอะไรหรอกใช่ไหมันกินเหล้าสูบบุหรี่กินยาฟินอะไรตื่นหรือผู้หญิงก็อาจจะมาไว้เรื่องเครื่องแต่งตัวที่เฟ้อเฟ้อเฟ้ๆๆอเฟื่อยมากๆเกินนี่บา้บ า, บ า, บาๆบอๆอะไรก็ไม่รู้คุณก็คงพอรู้อะหรือว่าจะเป็นหนึ่งในขบวนการนั้นด้วย อาตมาว่าพวกที่มามาคงไม่จะไม่บ้าๆบอๆถึงขนาดนั้นมัง้งนั่นนะเราก็พยายามละเว้นมาสิให้มันลดมาเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเรียนรู้ได้ว่าโอ้จริงๆเลยนะไปหลงเพชรหลงทองหลงอะไรที่เขาเป็นเครื่องตกแต่งเครื่องประดับประดาอะไรนี่นะถ้าไม่มีมันจะตายอาตมาคเคยถามนะเพชรกับเกลืออะไรเนี่ยวิเศษ ก, กันใครว่าเพชรกับเกลืออะไรวิเศษ ก, กันคุณตอบคุณอยู่นี่ คุณไปถามดีไปประกาศที่สนามหลวงอ้าวคาตอบเพชรกับเกลืออะไรมีค่ามากกับกันหรือพิเศษกับกันใครก็ก็ตอบเพชรทั้งนั้นแต่ถ้ามาขอถามด้วยปัญหาประเด็นสําคัญเลยว่าชีวิตของคุณีขาดเพชรกับชีวิตของคุณขาดเกลืออันไหนจะตายคาตอบถ้าคุณขาดเกลือคุณก็ตายคุณขาดเพชรคุณไม่ตายหรอก ชีวิตมนุษย์นี่มันไม่เคยมีเพชรไปตลอดตายมันไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่าขาดเกลือก็ไปสิตายอย่างนี้เป็นต้นโลกเขาก็เชื่ออย่างโลกเราไม่ต้องไปวุ่นวายเขาเราเพชรไอ้ทองไอ้เครื่องฟุมฟ่มเฟือยอะไรต่างๆคุณรู้ง่ายๆคุณไม่ได้ใช้เรหัดรถคุณจะเห็นเลยว่าแต่ก่อนนี่แหมเรารู้สึกมันแหมมันชมชื่นกับเขาหนะ้ามันอร่อยหรือมันอะไรอยู่แต่พอมาตอนนี้แล้วเราพอละรถแล้วมันก็ไม่มีคุณก็จะเห็นความจริงได้นั่นแหละคือคุณเกิดยาน ยานตัวนี้คือการรู้ของจริงหรือสภาพจริงตามความเป็นจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยเราปฏิบัติได้มันเป็นอย่างเงี้ยรถอย่างนี้สภาพอย่างเงี้ยเราก็รู้ตามนี้นี่คือปัญญานี่คือยานรู้ความจริงตามความเป็นจริงจริงไม่ใช่ว่าเหตุผลไปนั่งคิดนั่งนึกนั่งพกพันนั่งคบนั่งออะไรไปฟึ่งเฟืองอย่างนักวิชาการนักคิดนี่คิดจังเลยสารพัดสารเพ เพรานัยานไม่ใช่อย่างนั้นยานไม่ใช่วรรณอภิปภัณฑขบคิดญานต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงพิสูจนก็ไปเลยท่านว่าลดละจางคลายเป็นยังไงท่านว่าอัาธาเนี่มนันไม่เที่ยงนะมันลดได้นะแล้วมันหมดได้ด้วยมันดับศูนย์ได้ด้วยพิสูจน์ศูนย์ ซ, ย ซ, ยซึว่าอัาธาเนี่ไม่มีตัวตนได้หมดอัตตาหมดอัตตานิยาได้ด้วยนะหมดตัวตนหมดของความเป็นของของตนว่างว่างยังไง พอมันว่างมันดับศูนย์นั่นมันว่างยังไงอารมณ์ที่คุณศูนย์จากรสอร่อยที่เคยอร่อยคุณเคยอร่อยมาแล้วคุณมาปฏิบัติจนกระทั่งคุณศูนย์ได้คุณจะเทียบเลยคุณจะเอาอร่อยอย่างแต่ก่อนนี่เคยหรือคุณจะเอาอย่างศูนย์อย่างนี้สงบสุขอย่างสงบสุขอย่างสงบรำงับอันนั้นสุขอย่างเสพสมสุขสมคุณจะเลือกเอาอันไหนก็เรื่องของคุณทีเนี้ยเพราะนั้นคุณจะเชื่อต่อเมื่อคุณมีสภาพพวกนี้ มันเป็นกําลังอินทรีย์พละแห่งความเชื่อต่อเมื่อเรามีความจริงที่ลดละจางคลายเนยเราเรียกว่าโลกุตรธรรมเป็นธรรมะนิพพานเป็นธรรมะนีโลกเป็นธรรมะดับสนิทเป็นธรรมะที่หมดกิเลสไม่อยากอีกเมื่อไม่อยากอีกมันไม่อยากแล้วกิเลสจะอยากอันนี้อีกมันไม่แล้วปัญญามันขึ้นถึงที่ปัญญาริยานมันเห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อวางนี้แล้วเราก็หมดภาร ะ, ระชีวิตเราไม่ต้องอย่างนี้อีก มันก็สบายสบายในภาษาไทยแล้วสปายะเจริญแล้วเจริญถึงขีดสุดแล้วเป็นอรหันต์แล้วเป็นอรหัตผลแล้วแม้เหตุปัจจัยนั้นเป็นศูญญาตาเป็นนิพพานมีปัญญามีอุปโภาคภัณฑวิมุตติจิตเจโตวิมุตติได้แล้วอุปโทภาณก็คือมีปัญญาเห็นรู้ในวิมุตตินั้นเพราะฉะนั้นในสภาวะที่อาตมาอธิบายคล้ายๆ ก, กับรูปของคณิตศาสตร์นิดๆหน่นอยๆเนี่ยก็เป็นได้เพียงความหมาย ของการอธิบายสภาวะเพราะสภาวะของอะไรก็ตามแต่ถ้าเราจะเอาหลักการนี้ไปไปไปวัดคุณก็ต้องมีปัญญารู้ว่าควรจะแบ่งอย่างไรวัดอย่างไรซึ่งอตาอตมาอธิบายไม่ได้อันนี้อธิบายไม่ไหว น, นะมันยากแต่ก็รู้จักภาษาตัวเลขไปกันแล้วกันนะว่าการเกิดเจ็ดชาติของพระพุทธเจ้านี้ท่านถึงบอกว่าอยู่ในความหมายของคําว่าถ้าจะเกิดต้อคยมีน้ําหนักถึงขั้นว่าเจ็แล้วเนี่ยอยู่รอบแน่ใจได้ว่า บรรลุเพราะท่านตตัดว่าอีกเจดชาติก็ความหมายว่ามันเข้ารอบของมันมันก็สมบูรณ์เท่านั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าคุณรู้สภาวะจะมาทำความกิเลสสมุตุกิเลสของคุณมีหน่วยรวมทั้งหมดมีเท่านี้คุณแบ่งเอาไปสิถ้าสมมติว่าจะแบ่งเป็นเกส่วนหรือสิบส่วนถ้ามันสามารถที่จะทาการลดได้ถึงเจ็แล้วนี่อีกเหลือเศษอย่างนั้นคุณเองคุณแน่นอน ถ้าได้ตั้ถึง7แล้วอีกเหลือเศษ3หรือเศษ2อเป็นเถือว่าเก้นี่ก็เป็นหลักชัยแล้วล่ะแต่เป็นหลักชัยที่ยังไม่ศูนย์เเนี่ยถ้า10บก็คือศนย์หลักชัย ศ, ยยศยเพราะฉะนั้น ถ, ถ้าถึงข้ามพ้น9แล้วนี่นะถ้าอยู่ในทางาศาสนาที่มีอัตราตัวตนก็เลยจาก9ไปแล้วไปเป็น10นี่ก็จะยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นปรมาตตมันแต่ถ้าจะไปทางด้านปรินิพานแบบพระพุทธเจ้าท้าเลย9้าไปก็ศน เพราะฉะนั้นความมีที่สุดกับความหมดที่สุดนี่เป็นสองฝั่งเท่านั้นเองความมีที่สุดก็คือเลยจาก9ก้าไปเป็นสิบความมีที่สุดแห่งที่สุดคือศูนย์สุดเลยจากเก้าไปก็คือศูนเป็นสองฝั่งของความมีกับความไม่มีเท่านั้นมันศาสนาไหนจะเอาความมีก็มีไปทีพระเจ้าเขาก็ยิ่งใหญ่ศา ส, สนาพระเจ้าไม่มีก็ศูนย์ไปเลย กรจ้ อ, อะไรแต่ศาสนาพระเจ้านั้นเหนือชั้นกว่าศาสนาศูนย์ที่มันไม่มีสภาวะรองรับหรือศูนย์ที่ไม่มัชชิมาศูนย์ที่ไม่ลึกซึ้งละเอียดพวกนี้ศูนย์อย่างงมงายพวกนี้ศูนย์อย่างงมงายนะศูนย์อะไรอะไรก็ไม่มีพวกนักติกาทิฐิพวก อ, อ, อกตริยาพวกอะไรพวกนี้เยอะไรก็ไม่เป็นอันเป็นอะไรก็มีอันมีมันไม่มีมันว่างๆมันอะไรโมเมไม่มีหลักการอะไรพวกนี้ พวกมัคลิโคสานพวกอะไรพวกเนี้ยพวกนติกะทิฏฐิพวกอกริยาทิฏฐิพวกเนี่ยพวกนี้นี่พวกไม่มีโดยไม่มีหลักการที่ลึกซึ้งว่าจะทำอย่างไรถึงจะสู์อย่างสนิทเพราะฉะนั้นสู์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยมันเป็นการสูท์ที่เมื่อคุณถึงที่จบที่ก้าได้แล้วสิบหรือศูนย์คุณอมตะคุณจะเอาสิบไปตลอดนิลานอีกนานเท่าไหร่มีสิ และคุณจะเลิกล้มสิบเป็นศูนย์อีกเมื่อไหร่มีสิจะเอาศูนย์หรือจะเอาสิบก็ได้มันวิเศษอย่างนี้าศาสนาพุทธวิเศษอย่างนี้เพราะงี้เข้าใจยากมากเลยเป็นาศาสนาที่ยากที่สุดสาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่ยากที่สุดในขบวนาศาสนาทั้งหลายเพราะละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนที่สุดตอนนี้เราก็กำลังมาพิสูจน์กัน อาตมานำศาสนาพระเจ้าขึ้นมาศาสนาพระเจ้า2 5้ากว่าปีมาเนี่ยเพี้ยนบกพร่องจนกระทั่งเป็นกรองอนกุกักรองอนุกะก็คือกรองกรองหนึ่งที่ใช้ไม้อย่างดีทำเป็นกรองหนังอย่างดีเป็นกรองเดิมอย่างเดิมเขามีประวัติอะไรอาตมาจาไม่แม่นชื่ออะไรอะไรเปเมืองมีอะไรอะไรกรองนี้ใช้แล้วเสร็จก็มีคุณภาพดีต่อมาคนรุ่นหลังใช้กลองนี้ก็ ไปหาไม้อื่นมาเปลี่ยนมันชำรุดมันอะไรก็หาไม้อื่นมาแทรกมาเปลี่ยนก็ไปเรื่อยแซมก็ไปเรื่อยแซมก็ไปเรื่อยจนกระทั่งกลองนี้ไม้ก็ไม่มีไม้เก่าจริงหนังก็ไม่มีหนังเก่าจริงกลายเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับรูปร่างกลองใบเดิมแต่ความจริงเป็นของปลอมหมดแล้วชื่อก็ยังเรียกว่ากรองอนากะอยู่อย่างเก่าเพราะฉะนั้นคุณภาพก็ดีตัวจริงๆก็ดีของมันเอง มันไม่ใช่กรองอนัคระแล้วชั้นเดียวกันกับศาสนาพุทธทุกวันนี้ก็เรียกกันว่าพุทธตาราก็ตําตราเก่าแต่คําอธิบายปฏิรูปไปหมดแล้วพอเรากลับมาอธิบายกลับมาไปถึงของเก่าที่มันเป็นสัจจตัวเดิมเขาหาว่าเราอธิบายผิดและเขาหาว่าเรามาปฏิรูปศาสนาใหม่เพราะมาอธิบายผิดไปจากที่เขายึดถืออยู่แล้วเขาก็ว่าเรากําลังทำธรรมวินัยให้วิปริตเพราะมาผิดเพี้ยนจากที่เขา เชื่อถืออยู่นั่นก็เป็นศรัทธาความเชื่อถือของเขาเหมือนกันน่าจะเชื่อตำราเชื่อของเก่าที่ต่อๆ ต, ต, ต, ตามๆกันมาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามาสุตรอาตมาข อ, อยืนยันใครจะเชื่อไม่เชื่ออาตมาไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์บังคับไม่คนเชื่อแต่อาตมามีสิทธิ์พูดความจริงจากใจจริงว่าอาตมาเองอาตมาทํางานาศาสนาพระพุทธเจ้ามาจริงและอาตมาเห็นจริงอย่างนี้โดยอาตมาไม่ได้มารับอิทธิพล จากาศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้คําว่าไ ม, มไม่ได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนาปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าอาตมาไม่ได้เห็นด้วยในาศาสนาที่เขาสอนกันอยู่ทุกวันนี้อาตมาปฏิบัติธรรมโดยพยายามคลําตําราของบุรุษเจ้าแม้แต่แค่อาตมาไม่ได้คลาตําราไปถึงพระแต่ปิดกอาตมาปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นพระแต่ปิดกสักเล่มเลยนะแต่ตอนที่อาตมาปฏิบัติธรรมก็อ่านหนังสื อ, อของคนนั้นคนนี้เขียนนั้นน่ะอาตมาก็สัมผัสเอา แล้วก็เลือกเฟ้นเอาหมายความว่ามันมียานตัวเลือกเฟ้นของอาตมาเองแล้วเลือกเอามาปฏิบัติเองปฏิบัติแล้วเสร็จอาตมาก็ว่าอาตมาได้ผลอาตมาปฏิบัติไม่ยากจริงๆมันย่อมไม่ยากเพราะอาตมามันมีแล้วมันมีแล้วมันอะไรอะไรมันก็เพราอะไรมามันก็จริงๆไม่ปฏิบัติมันก็จะเป็นมันก็จะมันก็เหมือนเอาเอาเปลือกเปลือกนอกมาห่มหมห่มถึงเวลาไอ้เปลือกนอกมันก็เปลือยของมันไปเองตัวแท้มันก็ต้องยั่งยืน เขเปลือกนอกมันละลายไปหมดไม่ต้องไปทําอะไรมันก็เหลือตัวแท้คมโผล่ขึ้นมาเองแต่นี่อาตมาปฏิบัติเหมือนกันเถอะเอาปฏิบัติก็ปฏิบัติมันก็ไม่ยากอะไรกับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังซึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องที่คนฟังเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเมื่อปฏิบัติแล้วอาตมาก็เห็นมักเห็นผลอาตมาขอยืนยันเลยอาตมาเห็นมักเห็นผลแต่แรกๆอาตมาก็ว่นี่เรามักผลนี่เราบรรลุธรรม เลิกล่าจากโลกียะจากอะไรอะไรต่ตางๆนาอาตมาก็ชี้ฟังยืนยันให้ฟังว่านี้แหละลาบนี่ยศนีลล่แหละสันเสริญ น, นี่แหะโลกียสุกโลกียสุกเป็นอย่างงี้งปฏิบัติมักองแปดทฤษฎีทางเดียวมุขเจ้าเนี่ปฏิบัติแล้วมันจะเป็นอย่างงี้มีศรรีลสมาธิปัญญาอาตมาปฏิบัติแล้วอาตมาก็รู้เพราะว่าอาตมามันได้มากเก่าแล้วเพราะว่าชาดก่อนๆได้มาแล้วก็ชาดนี้อาตมาไมเรียนที่ไหนเล้วเรียนจากใครหรอถ้าจะเรียนจากใครเขาอธิบายก็ต้องไปไปอย่างเขาหมดแต่มันไม่เป็นอย่างเขาด้วยมันเป็นอย่างนี้เขาก็หาว่านี่ทำทาไม่มี อาตมาว่าแม้แต่แปลพระเตปิ ด, ด ก, ก็แปลอย่างความเห็นที่เขาแปลเซอร์อาตมาก็เห็นอยู่ว่าในแนวลึกในหลายๆลอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เขาไปปักมั่นเอาเองโดยการแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยนี่เขาก็ตีความเอาเองแล้วเขาก็แปล ى. แปลมาเพี้ยนมาเรื่อยปฏิรูปมาเรื่อยปฏิรูปมาเรื่อยไม่รู้กี่เจเนอเรชันมาแล้วพอมาแปลตอนนี้มันก็กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเซงอร์อาตมาแปลบางอันมัน ก, ก็เงยข้ามกันเลยเซอร์อาตมาก็ว่าอาตมาแน่ใจในที่อาตมาแปล ى. เพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมาอยากย้ําใครจะเชื่ออาตมาก็เชื่อใครไม่เชื่ออาตมาบอกแล้วว่าอาตมาไม่ได้บังคับใครแต่ในคนเราต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อแล้วไม่มีพลังบอกแล้วแต่ต้นไม่มีความเชื่อคุณปฏิบัติรอๆแล้วแหละเชื่ออะไรก็ไม่เชื่อคุณลองดูสิไอ้นี่จริงเปล่าวะไอ้นี่จริงหรือเปล่าวะรับรองแปดสิบแสนอสงไขยกับถ้าคุณอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า อสองไข่นึงเขาบอกมันกี่ล้านปีนะอสองไข่นึงอะกี่ล้านปีอะ อ, อะไรนะ่นเขที่บอกว่าที่เอาผ้าใยบัวมาเช็ดกลับนึงกับนึงเอาผ้าใยบัวที่ทอทอได้ใยบัวอย่างดีบางๆอ่อนๆเ น, นี่นะเอามาลาดเอามาถูลาด ภูเขาภูเขาใหญ่อะภูเขาป<ะ>ูทัสินเนรุอะใหญ่เอาผ้านี่มาลาปีนึ่งอะมาลาปีหนึ่งร้อยปีอะไอ้ยาหนักคนนั้นอีกร้อยปีอามาถูอีกทีหนึ่งศึกไปเท่านั้นอีกร้อยปีมาถูอีกจนกว่าภูเขาสินเนรุในราบนั่แหละคือกับนึงอัตมาว่าอย่าคิดดีกาอย่าคิดเดี๋ยวกว่ากลับนึ่มันกี่ล้านปี นี่ก็เป็นสิ่งที่แม้แต่จะจริงหรือไม่จริงก็ตามฟังสมมุตินี่แล้วก็ตามมันมันหวังไม่ได้เราถ้าคุณเอา ง, งา่ายแต่ว่าถ้าคุณเชื่อไอ้นี่ก็ไม่เชื่อไอ้นี่ก็ไม่เชื่อปัตตานี้เล่นหน่อยเอปบบอปบบัตตานแล้วไม่มีกําลังแล้วไม่มีทางเดินทางได้เลาะและเล่นอยู่อย่างนั้นอ<ป>่ะพ ว, วิตกกัจริทคิดมากบอกคิดมากวิตกกัจริทธคิดยุ่นน่ะ เอ้ดีก็น่าจะดีนะพอทำตาไปเ อ, เอ้มันก็ยากนะมันก็ไม่เข้าทางเอ้ดีน่าจะดีพอทำไม่ดีกนะคิดไปฟุง้งซ่าน อ, อันนี้ดีกาแค่แสดงให้ดูนี่นี่ห น, น่อยหก็เมื่อยแล้วแล้วมันจะนานเท่าไหร่แล้วอัตมาเคยพูดนะว่าวิตกัจจริตศรัทธาจริตปัญญาพุทธิปัญญาพุทธิจริตสามันนี้ศรัทธาจริตก็ยังดีสักว่า ซึ่งอัตมาเคยสมมุติคุณอยู่ที่นี่คุณจะเดินทางไปตรงนี้นะเสร็จแล้วคุณโง่นะคุณโง่แทนที่จะเดินจากนี่ไปนี่ใกล้นิดเดียวใช่ไหมอ้อมตรงนี้ไปนิดเดียวคุณโง่คุณไม่ตัดสินผิดคุณก็เดินเอาตัดสินมันเอาแล้ววะไปนี่อไปตรงนี้อรู้แล้วตรงนี้ไปทางไหนก็เอาตัดสินผิดไปนี่ปืด๊ด ไ, ไปเลยไปเลยมีบันถึงไหมมีบันถึงไหมถึงแต่ช้าหน่อย มันก็ยังมีหวังแล้วก็จะเสร็จได้แต่ไอ้พวกเนี่ว่าเฮ้ยไปทางนี่ดีเปล่าวะไม่ดีอนะไปทางนี้ยอไม่ดีนะไปโอ้โหไม่ต้องถึงกันสักทีเลยพระวิตกิจริตนะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าแม้ว่าจะผิดตัดสินเลยเอาเลยผิดจะให้มาด้วยผิดจะได้เลิกล้มวันนั้นแล้วก็มาทำกันใหม่ให้มันเด็ดเดียวเพราะฉะนั้นตัวเด็ดเดี่ยวตัวนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกันในคนเพราะไม่เด็ดเดียวนี่นะทำอะไรไม่สําเร็จหรอก แก้ปัญหาสังคมทุกวันนี้นะเขาถึงบอกว่าจ้างชาวนาเนี่แปลว่าไฟแลบแปลว่าไฟฟ้าคุณไปเปิดบาลีดูชาวนานี่แปลว่าไฟฟ้าแบบแบบผกแบบแบบอยู่อย่างเง้นแบบปรับอยู่อย่าเงีม่เห็นมันเป็นชิ้นเป็นอันทักทีมีฤทธิ์เหมือนกันนะแต่มีฤทธิ์อืม มีที่ทาให้คนเจ็บชวนาะชว น, จ น, นาวนจิตเนี่ยเคยเคยเรนบลีมาชวนาจิตเนี่ยคือพิแวแวบเป็นตัวที่เกิดวักวเร็วชวนะนี่คือความเร็วแวบแวบับเร็วชวนาะไม่สาเร็จหรอกเนี่ยรอรแล้วยังงั้นำไมอะไรก็ไม่อะไรไม่มีเด็ดขาดไม่มีร่องแรงร่อ ง, องแรงอาตมาก็วิจารไปมาจับเขาเขาคุกก็แล้วไปเถอะไม่เป็นไรนะ อยู่ดีๆไม่ว่าดีอยู่วัดอยู่วายอยู่สาวเ <สา S 1> ป็นแะเบีบเรียไปวิจารณ์เขานะแต่พูดให้ฟังเท่านั้นเองอ้างอิงให้ฟังมันมีอะไรที่มากกว่า น, นี้อยู่แต่อัตมาไม่อยากจะพูดต่อเนี่ยเพราะในลักษณะของอะไรก็ตามในจิตวิญญาณมนุษย์นี่ฝึกเข้าถ้าตัวเองไม่มีก็ฝึกฝึกเป็นคนเอาจริงเอาจังซะบ้างเด็ดเดี่ยวซะบ้างตัดสินในเสร็จซะบ้าง ทำอะไรก็ทําลงไปให้มันเป็นมันตายมันดูกันไปเลยคนจะไปกลัวเลยตายเนี่ยตายกันมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วไม่เคยตายไงมันจะมนจะตายอีกชาตินึงเนี่ยมันจะไปอะไรกันนักกันหนาตายมันไปเลยยืนยันมันรู้กล้าหานชาญชาญในการที่จะตัดสินอาตมาก็คิดว่าแต่ละคนก็คงจะไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิจารณญาณก็มีทุกคนใครยังไม่ไปทํางมงายเท่าที่เราจะมีปัญญาหรือเท่าที่เราปัญญาของเราก็เท่าที่เราโง่นั่นแหละเขบอกแล้ว ก็ตัดสินมันเลยเอาเอาแล้วเาพุ่งไปเลยเด็ดเดียวอาตมาเคยพูดกับพวกเราว่าขอสักชาติได้ไหมโดยพูดพวกเราหลายคนฟังแล้วเข้าใจไหมทราบสินงชตานี้ไม่ต้องคิดมากละพอทันพาลุยอะไรลุยหลายคนคิดพวกที่มีจิตแบบนี้มีพวกที่วิตกกระจริตเออเองลุยไปก่อนวะ ใคาจะคอยดูวันไหนมันดีเอาวันไหนไม่ดีไม่เอาพวกนี้นี่พวกชุบมือเปิบพวกรู้มากรู้จักคนรู้มากหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยนะแล้วก็คอยแอบแอบเสพๆค อ, คอยเก็บนะชุบมือเปิบคอยเก็บตกหลน่อนอันไหนดีเขเคอยเอาแบบนี้มันเห็นแก่ตัวนี่หว่า <c oughs> แบบนี้ไม่ลงทุนนะจะพลอยเก็บ อ, อะไรจ่ายถึงยังไงก็ตาม คณคอยเก็บเอาน่คุณไม่ได้เป็นคนไปพบจริงได้จริงถึงยังไงคุณจะไปเป็นรองจากเขาคนพบจริงถึงจริงเขาก็ได้จริงแล้วแล้วคุณไม่จริงคุณไปรอรอเก็บเขาตามเา้าคุณก็เป็นคนตามเขาอยู่ดีนั่นแหละอย่ามานั่งพูดว่าคุณจะไปเป็นผู้นาผู้ชนะเป็นผู้ถึงก่อนเลยไม่มีทางหรอกนะแต่จริงคนไหนเขาตายก่อนคนไหนเขผิดก่อนเขาก็ผิดได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ใช่คนงมงาย เรามีปัญญานำเพราะฉะนั้นเชื่อไหมเชื่อไหมว่ามันถูกมันจะมากกว่าผิดอาตมาไม่พูดทีเดียวแล้วว่าจะไม่ผิดเลยนะแต่ว่าอาตมาว่าถูกมันจะมากกว่าผิดถ้าคนในระดับปัญญาก็ฝึกฝนปัญญาแล้วก็ทาด้วยปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆและเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีเพื่อนที่มีปัญญาหลายหัวอีกช่วยกันกรองช่วยกันพยายามเพราะฉะนั้นอาตมาถึงย้าพวเราว่าจงพยายามใช้เครื่องตัดสิน ที่เป็นมติหมู่และให้วางตัวตนมันในการปฏิบัติธรรมทำมูตัดสินอย่างนี้แล้วปึ๊บเอาเลยแล้วคุณหัดวางตั ว, ตวตอย่าไปติดยึดมันซะอีกมันจะได้รู้ไปเลยอาตมาเคยพูดตั้งไม่รู้กี่ทีถ้ามันผิดมันจะได้รีบผิดอาตมาไม่พูดเก่งพูดใหญ่ไปจนกระทั่งว่ามันจะได้รีบถู ก, ถกจบไม่ได้พูดอย่างนี้ด้วยซ้ำนะถ้ามันผิดมันจะได้รีบผิดจะได้รีบจบจะได้รีบไหวตัวจะได้รีบแก่กลับลํา ช้าอยู่ทำไมล่ะโลกทุกวันนี้ยิ่งต้องการความเร็วในการแก้ไขเพราะมันจะไม่ทันนะอำนาจโลกียาหรืออํอำนาจเร็วมันมากจนไม่รู้จะมากอย่างไรเลยทุกวันนี้นโ่ยโหคนดีมีจุดศูนย์หนึ่งรือไงส่วนคนเร็วนี่มีพันเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยนะตัวคิดพันเปอร์เซนมันแย่จริงๆ ง่ายๆนะอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างพวกคุณฟังอาตมาบรรยายมาแล้วเนี่ยเข้าใจลัทธิบุญนิยมไหมเข้าใจไหมเข้าใจบางอย่างลัทธิบุญนิยมอาตมาพูดมาปากเปล่ยปากเฉยยีสปีแล้วนะเนี่ยกำลังจะเข้าทศทศวรรษที่สามแล้วนะยี่สิบปีแล้วอาตมาพูดระบบบุญนิยมมาเนี่ยธรรมดามันมีแต่ทุนนิยมมาทุนนิยมก็คือโลกิยาลาบยศสันเซินโลกิสุ ส่วนบุญนิยมนี่ยก็คือต้องลดลาบยศสันเสริญโลกีสุจนเหนือลาบยศสันเสริญโลกียสุขคือเหนือโลกธรรมแล้วก็ไม่มีความชื่นโกชื่นใจเพราะได้ลาบได้ยศได้โลกีสุขเสพโลกีสุกอย่างที่พูดเป็ตนตนเสพสมสุขส ม, สมไม่ได้เป็นอย่างนั้นโลกุตระมีแต่ลดพวกนี้และศูนย์จนกระทั่งเราก็เป็นคนแต่เราทํางานได้เหมือนกันพวกโลกียะ แต่เราไม่ได้อยู่ใต้ อ, อำนาจลาบไม่อยู่ใต้ อ, อำนาจยศอยู่ใต้ อ, อำนาจสันเซิร์นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําระบบของทางระบบบุญดียมอย่างไรที่มันจะสร้างสรรค์เพื่อเกื้อกูลเพื่อช่วยเหลือเพื่อให้ไม่ใช่แกลกราบมาแต่ได้ให้นี่คือคุณค่าที่อาตมาเคยอธิบายแล้วถ้าเราได้ให้นี่คือเราได้แต่ทางโลกคือไม่ต้องให้แต่ฉันได้มามากๆนี่คือฉันได้ไ อ, อย่างนี้ใครมันก็เข้าใจอาตมาว่าไม่ใช่แต่คนเข้าใจได้ยดายฉานมันไมเข้าใจเลย ให้ไหมไ้ที่ได้มานี่คือได้เนี่ใครมันก็เข้าใจแต่ไอ้ที่ให้ไปนี่แหละคือได้ให้ไปนี่คือได้ฟังภาษาไทยใหม่ให้ไปนี่แหละคือได้ <c oughs> เข้าใจไหมอ่านเดอสแตรเข้าใจไหมใครระมองออกใครละเข้าใจใครละรู้ว่าอันนี้จริงอัตมาไม่ได้พูดเล่นลิ้น คุณรู้ว่าคุณได้ไอ้ น, นี้ด้วยแล้วคุณก็มั่นใจว่านี่คือได้คุณเชื่อมีศรัทธามีสัจตินทีมีศรัทธาพระในตัวนี้คุณเชื่อว่านี่คือได้ก็คือคุณคนอื่นก็าจบอกว่าไอ้ น, นี่โง่ชามัดเลยเฮ้โทรที่รักมันล้างสมองได้โอ่ก็มันให้เขาไปอยจะมันจะดันบอกว่าได้บุโถงโง่ตายเลยจะมีคนโง่ที่ไหนโง่ที่สุดมากกว่านี้อีกไหมเนี่ย ก็ให้เขาไปแท้ แ, ทและดันบอกว่ามันได้เอ๊ไมมันไปเชื่อเขาได้ยังไงเฮ้เชื่อได้ยังไงเนี่ยนี่แหละจุดนี้แหละเป็นจุดที่มันทวนกระแสมันคนละเรื่องกันเลยกับทางโลกเห็นไหมนี่คือโล ก, กุต ร, ระพระพุทธเจ้าทุกวันนี้อาตมาเห็นรูปรอยแล้วพวกเรามีคนเชื่อ และมาปฏิบัติประพฤติอย่างนี้ตามเนีย่ยมาทํางานไม่ต้องหลงไร้ได้ปลื้มลาออกจากงานมาเงินทองไม่เอาไม่ให้มีเงินดาเงินเดือนเป็นหมื่นสองหมื่นอยู่ดีๆไม่เอาละมาทํางานฟรีมันโง่ได้ขนาดจริงๆอันนี่นะ <c oughs> เขาว่ามันโง่ได้ขนาดจริงๆมันหล อ, อกเก่งจริงๆนะมีคนเปรย์มกันนะพิรักนี่จิตวิจิตวิญญาณเก่งจริงๆนะมันหล อ, อกคนได้สนิทจริงๆโอ้โหมันเป็นลุกสิทธ์เสี มาเรียนรู้เอาจิตวิทยาเก่งๆเนี่ยมาเรียนรู้เอาไปจะได้ไปหลอกคนอื่นต่อ <c oughs> มาเรียนเอาสิแล้วชมอยู่ได้ไกลๆทำไมมามามาใกล้ๆแล้วมาชมใกล้ๆแล้วก็มาเรียนด้วยสิมาเป็นลูกศิษย์ซะเลยจะได้ไม้ถ่ายทอดวิชาให้หมดสิ้นเลยจะได้เอาไปหลอกคนอื่นต่อเหมือนยมภที่รักหลอกอ <c oughs> จริงๆนะทุกวันนี้ชาวโซเราที่เข้าใจนี่ละตามาบอกลัทธิบุญนิยมหรือลัทธิที่ เห็นบุญเป็นค่าเห็นการได้เสียสละเป็นค่าการได้ให้ได้เกื้อกูลแจกจ่ายการทานต้องมีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนเราเพราะเราจะให้เราก็ให้โดมีปัญญาไม่ใช่ให้อย่างงมงายให้ตะพุธนเลยให้ใครก็ได้ที่เละเทะยิ่งให้ยิ่งกิเลสหนาไอ้ยังงี้เราไม่ให้หรอกยิ่งให้นี่เขาก็ยิ่งตกต่ำเขาก็ยิ่งกิเลสหนาขึ้นให้ไปอย่างงี้ก็พังสิไม่เกิดคุณค่าเพราะจะให้เราก็จะต้องมีการรู้ว่าให้แล้วเขาจะต้องเข้าใจคนระดับนี้คนนี้ถ้าให้แล้วเขาก็มีบุญคุณนะ บุญคุณไม่ใช่ว่าต้องมาตอบแทนบุญคุณแต่เขาสํานึกว่าเขาจะต้องปฏิบัติตนมาอย่างนี้เพื่อที่จะละกฏกิเลสเพื่อที่จะเป็นผู้ได้ให้ต่อไปอีกในเสียสละซ้อนซ้อนซ้อนต่อไปอีกคนที่บรรลุแล้วคนที่พ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องมาตอบแทนท่านมากมายอะไรก็ได้แต่ในระยะที่คุณยังไม่มีปัญญาที่จะมาตอบแทนเออที่จะไปทําเองเอาไปจ่ายเองคุณก็มาให้ผู้ที่ท่านมีปัญญาเมื่อให้ท่านคุณก็ต้องไว้ใจอีกเหมือนกอันเลยคุณต้องศรัทธาว่าถ้าให้ท่านแล้วเนี่ยท่านจะโกงหรือเปล่า ถ้าจะเอาไปเป็นของตัวของตนหรือเปล่าถ้าเอาไปเสพสุขของท่านหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้เอาไปเสพสุขของท่านท่านไม่ได้โกงท่านไม่ได้มันต้องสะสมกอบโกยอะไรท่านไม่ได้มันเป็นโลกียะอะไรจริงๆแต่ท่านก็เอามายิ่งสร้างสรรค์ซึ่งมันจะต้องมีสภาพหมุนเวียนกลับเพราะท่านก็ไม่เอาพวกเราก็สอนพวกเราก็พยายามลดละเพื่อจะไม่เอาไม่เอาของมันก็จะน้อยแต่ภาวะที่มันทับทวีซับซ้อนขึ้นมามันก็จะมีการหมุนเวียนให้มาเหมือนกันเป็นการบริจาคหรือทานหรือไว้ใจที่จะให้ที่จะสละ พราะการทานกับบุคคลที่มีมีทรงวุฒิหรือว่าทรงวุฒิคุณการทานมีหนึ่งทานกับคนจนสองทานกับคนที่ต้องการสามทานกับคนที่มีความจำเป็นสี่ทานไปแล้วคนนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ได้แท้จริง 5. ทานกับคนที่ทรงคุณคนที่ทรงคุณก็คือคนที่เราศรัทธาคนที่เราไว้ใจคนที่เราสนิทใจแล้วว่าถ้าทำทานกับท่านเนี่ย ท่านไม่โกงท่านไม่เอาเงินนี้ไปทําบาปหรอกท่านเอาเงินนี้ไปสร้างบุญต่อเราก็จะได้โดยสารด้วยบุญนี้ด้วยแต่ที่พวกเราพูดโดยสารมันก็คงพอเข้าใจอยู่แล้วมาทําบุญกับท่านท่านก็เอาทุนรอนเอาอันนี้ไปสร้างสิจะเป็นประโยชน์คุณค่าได้เพราะท่านมีปัญญาที่จะทำทำบุญทําคุณอะไรอะไรดีๆอีกแล้วซึ่งท่านก็ไม่สมกอบกอยไปของท่านท่านไหเอาไปเสพหรอกไม่เอาไปบำเบลตนอะไรหรอกอะไรต่างๆนานาถ้าไว้ใจแล้วก็ทําทําอย่างเงี้ย เพาถ้าคุณมีปัญญาที่จะไปใช้ไปช่วยคนจนช่วยคนที่ต้องการช่วยคนที่จําเป็นช่วยคนที่จะมีประโยชน์คุณมีปัญญาคุณก็ไปทําต่ออย่างพวกเรานี่มีปัญญาก็ทำกันอยู่บ้างแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ไว้ใจผู้นี้ก็ทำกับผู้นี้โดยทันทีนี่รัดลับง่ายๆศา ส, สนาพูดไม่ใช่ศาสนาเอาตัวรอดแต่คนเดียวศา ส, สนาพูดเป็นศาสนาสังคมเป็นศาสนาเพื่อมวลมนุษยชาติเพราะจะคานแย้งไม่ได้ คุณน่ารสดายงี้ตรงเห็นไหมอัตมาอธิบายแล้วจะเห็นชัดขึ้นมามันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติความขยันมันเป็นในตัวคนเพราะฉะนั้นเรายัมีเลือดขี้เกียจอยู่ล้างมันสิทํำไมคุณเป็นคนขยันคุณจะตกต่าตรงไหนอ่ะเลวเหรอให้มันขยันจนกระทั่งมันไม่ว่างไม่ได้มันขยันว่างไม่ได้มันขยันมันขยันให้มันเป็นดูสิเรามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นคนเลวไงโทโทนี่สร้างแล้วมันจะมีอินีพละงของมันจริงมันเป็นอัตโนมัติ คนมีความเชื่อเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในสิ่งที่ถูกทางมีวิริยะมีลักษณะขยันเห็นในตัวเลยคนเราพอมองกันอ๋อนะอยู่กันสักเดือนหนึ่งอยู่ด้วยกันในรู้เลยไอ้คนไอ้ขี้เกียจคนไอ้ขยันมันรู้มันไม่ง้อหรอกนะใช่ไหมอยู่ด้วยกันไปสักเดือนก็รู้ละไอ้คนนั้นมันขยันขี้เกียจให้กดข่มยังงก็ร้องด้วยเสแสร้งยังไงก็เถอะสักเดือนหนึ่งก็รู้แล้วทำให้รู้ก็มีวิธีหางานมากๆประเดี๋ยวมันทนไม่ได้ ขยันกันมากเราขยันกันมากหา ง, งา น, นมากเนี้ยก็ด้วยคนนี้มันพยายามแซ่บๆไปแล้ววตายเปแล้วไม่ขยันหรอกมันฝืนสันดานเดิมของตัวเองไม่ได้เรามนุษย์นะใช่ไหมเพราะในคนปรปับปรุงพัฒนาขึ้นมาจะเป็นคนมีวิริยะมีความขยนันมีสติสติเป็นความตื่นเป็นความเบิกบานเป็นความรับรู้โลกคนที่บรรลุธรรมพระพุทเจ้ามีสตินี่ไม่ได้เป็นสติแบบงมงายสติมีตั้งหลายอย่างแตา่มาอธิบายใฟังแล้วสติของปุถุชนสติของกัลยาณชนสติของอริยชน มันจะเป็นสติอย่างอาริยชนธรรมาสรุปง่ายๆให้ฟังก่อนเขาเคยอธิบายแล้วใครฟังใครยังไม่ได้ฟังก็ขอขอจิดตามหรือว่าเอาเทปเก่าไปฟังเป็นผู้ตื่นผู้ชาคริยาเหมืบานรู้โลกมีโลกวิทูมีผู้หูสูดไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนโงอกเป็นคนมีสติรู้เท่าทันในนันในนี้มาหลอกไม่ได้และมีจิตซื่อสัตย์สุดจริตเกื้อกูลช่วยเหลือด้วยนอกจากรู้โลกโลกวิทูแล้วก็จะช่วยเหลือเขาเป็นคนสติตื่นที่รับรู้โลกรับกระแสโลก อยู่เนื้อโลกช่วยเหลือโลกสติมันดีอย่างนี้แล้วก็มีสมาธิมีความแข็งแรงมีความตั้งมัน่นโลกทําให้หวั่นไหวโลกทําให้ท้อแท้โลกทําให้ถดถอยโลกทําให้พ่ายแพ้ไม่ได้ง่ายๆสมาธินี่เป็นอินทรีย์เป็นพละของมนุษย์ที่สร้างแล้วจะมีอินทรีย์ห้าพละหอย่างนี้มีกําลังเป็นกําลังเป็นคุณภาพของอินทรีย์เป็นคุณภาพของพละมีปัญญาไม่ต้องพูดถึงเลย บรรยามันจพูดถึงเลยเป็นความเฉลาดที่ไม่ใช่ฉลาดเชโกไม่ใช่ฉลาดแกมโกงไม่ใช่ฉลาดที่จะเอาเปรียบเอารัดเป็นฉลาดที่เสียสละสร้างสรรค์ฉลาดที่ไม่มีตัวตนเป็นความฉลาดที่มีความสามารถมีความรู้มีความสร้างสรรค์และเสียสละตัวเองไม่เพื่อตัวเพื่อตนเลยนี่คือคุณลักษณะของอินทรีย์ห้าพละงห้าถ้าคนของพุทธปฏิบัติถูกต้องตรงมันจะต้องเป็นคุณลักษณะอย่างนี้ นี่ไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อนะอธิบายให้ฟังผู้นีคุณฟังคุณจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธายกจ้องเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าพระอริยะของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์บริบาลของพระพุทธเจ้าลูกของพระพุทธเจ้าผู้ที่สืบท อ, อดสิ่งที่ของพระพุทธเจ้าทํามาจะเคารพ บ, บูชาเชิดชูมันก็ต้องเคารพ บ, บูชากันเพราะในโลกนี้ไม่มีศรัทธาไม่ได้บอกแล้วว่าศาสนาพุทธนีม่มันไม่ดีอยู่ตรงมีสภาวะซับซ้อน เพราะฉะนั้นก็พอชักจะให้ความเฉลียวฉลาดขึ้นมาหน่อยชักมีอัตตากูหัวเอเรื่องขึ้นมาบ้างก็เลยมันก็เลยมีภาวะซั้อนย้อนแยงอยู่ในตัวมันก็เลยศรัทธาไม่เต็มเมื่อศรัทธาไม่เต็มการที่จะเกิดพลังรวมช้ากว่าศาสนาที่ เ, าเอาศรัทธ า, านำหน้ามีแต่ศรัทธายัางไงก็ขอให้เชื่อกันแล้วกันฟังผู้ที่เขายกย่องไว้ศรัทธาแล้วก็เชื่อตางไปเลยมันก็เป็นพลังรวมที่มีการสร้างสรรค์อะไรได้มาก สร้างวัตถุก็ได้มากสร้างหมู่กลุ่มก็ได้มากศรัทธาแบบนั้นนะนะสร้างหมู่กลุ่มก็ได้มากแต่ศรัทธาของพุทธเนี่ยถ้ามันมากมันก็เป็นมากที่มีสัจจะมีความจริงมันไปได้นานแข็งแรงนะนความเชื่อของมุสลิมจึงลึกซึ้งศรัทธาของมุสลิมที่อาตมาเจตนาจะอธิบายพระคุณฟังเนี่ยโดยขึ้นหัวเรื่องว่าอยากจะกล่าวถึงเรื่องศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันจังเป็นความเชื่อที่ต่างจากศาสนาอื่น และเป็นความเชื่อที่จะต้องใช้ปัญญาประกอบและมีสภาววจริงรองรับอโซเรามีสิ่งเหล่านี้เพื่อยืนยันมากขึ้นสังเกตดีดอาตมานํามาขยายมาพิสูจน์หลักฐานยืนยันใน้ฟังว่าเราจะต้องไปกันอีกมากเราจะต้องรวมมันจะรวมเองอะ่ะเพราะคุณฟังเพราะคุณมีความความจริงคุณก็จะมีศรัทธาร่วมกันรวมกันขอให้ มองสิ่งดีของกันและกันในชาวโศกอย่าไปเอาสิ่งบกพร่องเพราะว่าคนเรายังมีสิ่งบกพร่องแม้แต่ในพวกเราชาวโศกเองก็ยังมีสิ่งบกพร่องอย่าไปเอาสิ่งบกพร่องเหล่านะั้นมาถือสากันมากนะักดูส่วนใหญ่ส่วนรวมบาว้าพวกเรามีดีไม่น้อยหาคนดีๆอย่างพวกเรานี้ไม่ใช่ในง่ายเพราะเสียดายนะพวกเราได้ก็มาทําตีกันทิ้งทําลายกันไปทะเลาะเบาแวงตัวกันจกนกระทั่งเสียผู้เสียคนทิ้งไปออกไปไม่มารวมกันเรายังมีน้อย แล้วยิ่งมาทำลายกันออกไปก็จะสร้างกันมาได้ขนาดนี้ไม่ใช่เนื้อสบายสบายยากเย็นจะตายพราให้ขอให้มองลึกซึ้งถึงความดีงามของพวกเรากันบ้างอย่าเอาขี้หมาไปแลกทองคําอย่าเอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาตีทองคําทิ้งพวกเราที่เป็นเชื่อทองคํากันซะเยอะอยู่แล้วยุคนี้การนี้สมัยนี้ไม่ใช่หาคนอย่างพวกเราได้ง่ายๆจริงๆ ไม่จะหาอะไรง่ายนี่ไม่ใช่แก้งมาพูดตีตบหัวรูปหลังอะไรหรือว่าหลอกจิตวิทยาเชิงหลอกไม่ใช่พูดให้ฟังจริงๆมันมองความจริงนี้ให้ออก เ, อเพราะงั้นดูให้ชัดๆแล้พวพเรามาเสียสละสร้างสรรนเอาหลักการแกนแกนที่เป็นแก่นของาศาสนาเนี่ยลดโลกโปรดหลงมาเพื่อที่จะสแสวงหาสิ่งที่จริงจังจริงใจอย่างดีๆอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าหลายคนเขาก็อดทนฝึกฝนหลายคนเขาก็มีดี แม้มันยังไม่สมบูรณ์เขาก็พักเพียรอยู่เพราะงั้นก็ต้องให้อนุโลมปฏิโลมกันพอเป็นพอไปนะเรา จ, าจะเจ้าทำงานไปอีกไกลอัตมาตายแล้วก็ยังจะต้องทําต่ออยู่อีกไม่ใช่ว่าแค่นี้เพราะมันยังจะไปอีกาศาสนา 2,500 ปีแล้วจะ ต, ต้องไปอีกจนกว่าจะเกิดขุมมนีขึ้นมาเพราะสิ่ที่จะทดแทนสังคมต่อไปนี้ก็คือลัทธินี้แหละระบบนี้แหละบุญนิยมนี้แหละ อาตมาว่าตมาเข้าใจศิลปะและกําลังประกอบศิลปะนี่แหละทาให้เกิดการมีผลต่อมนุษยชาติศิลปะที่ดีต้องมีผลต่อมนุษยชาติและมนุษยชาติที่มีผลจากศิลปะนั้นไปไหนสุขติไปดีเจริญพัฒนาไม่ใช่ว่ายิ่งงมงายยิ่งไม่เข้าเรื่องยิ่งมากไปดยกามยิ่งมากไปด้วยอัตามาณนะไม่ใช่ยิ่งลดอัตามาณนะลดกามศิลปะอย่างนี้ไปเลยศิลปะโลกุตร ะ, ะเป็นสัจธรรมที่แท้จริง เป็นเรื่องของอภิปัฏยาหรือเป็นสัจธรรมที่สูงส่งเอาละสรัวนี้เวลาพอสมควรแล้วก็ขอจบเจาะเพียงเท่านี้